ท า, านก็จัรท่านก็สอนสอนเรือ่งงองการอุปมาบางคนถ้าอุปมาการอุปมาอุปมาเปียบเพียก็เกิดความเขา้าใจได้ดีทางัทางท่านปิจัก็เลยเปียบเพีย ธรมสอนธรรมะด้วยการเตือนเตือนขึ้นต่อมาต่อมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามือบุรุษคนน้นทำความผิดอย่างร้ายแรงพองมาพระราชาก็จักบุรุษนั้นมาความผิดนั้นนะ่ะต้องตายสถานเดียว แต่พระราชาเนี่ยมีความเฉลียวว่าจะ ต, ต้องให้ตายอย่างทุกขโทรมาไม่ให้ตายแบบเลือดเลยแต่ให้ตายแบบโทรมาก็เลยเอางูพิษมาให้สีตัวเป็นงูที่มีพิษกล้ามา มีเด็กมากมีทิลับมีง่ายว่ามันคงจะสรุปมีความหมากัม้ามสี่ตัวแล้วก็เอาให้บุรุษนั้นแล้วก็สั่งว่าโูสี่ตัวนี้ให้เขาตื่นให้เป็นเวลาให้เขา กินอาหารเป็นเวลานอนเป็นเวลาอาบน้ำอาบทาเป็นเวลาให้ดูแลงูทั้งสิบตัวนี้ให้งูตัวหนึ่งพันรอบแขนข้างขวาแล้วก็เอาหัแวแท่ทางพานเอาหัวไปจอดตรงใบหนูงูตัวที่สอง พันแขนซ้ายแล้วก็เอาหัวแพรบงังพันตรงหูอีกตัวหนึ่งก็พันขณะแล้วก็เอาหัวไปจ่ออยู่ที่อกคออีกตัวหนึ่งก็พันขึ้นมาทางแขนลาเรียกว่าให้ดูแลดูทีทวนให้ดี คนนั้นก็คิดในใจว่าเออเรามีโคมีนะพระราชาจับมือได้แล้วแทนเรียข้าเราก็ให้ของบรรณาการแก่เราด้วยความเข้าใจที่คิดว่ามีสี่ตัวนี้เป็นเครื่องบรรณาการจากพระราชาต่อมา ก็มีผูท้ที่หวังดีหลากฐนานดีก็มาบอกกับมือคนนี้นว่าท่านไอ้มืสีตัวนี้เป็นทิศนะมันมีเดชการมนะมีทิศกูแรงนะถ้าหากว่ามันไม่พอใจไม่พอบใจท่านเมือตัวใดตัวหนึ่งโกรธเคืองขึ้นมาเนี่ย มันต้องกัดทาตายหนึ่บุโดคนนี้พิจรารณาแล้วออกเห็นเข้นว่ามันจริงกอเลยว่าจะทำยังไงดีบอกว่ารอเวลาที่งูมันเผลอเอาอกเอาใจมันนพอมันเผลอตัวก็ค่อยๆแกะออกแกะงูออกหมดสี่ตัวแล้วท่านก็เป็นอิสระทีท่านก็ต้องหนไป เป็นอสะบุรคนนั้นก็ทำตามก็เอาใจใส่เงินให้กินกน้ำ เ, นนเป็นเวาเลาอาบน้อาบผ้าเป็นเวลาหลังนอนเป็นเวลา่เป็นเวลาพอเก็รู้สึกไรให้เน ง, งนหลงรู้วบุรคนนี้เอาอกอาใแล้วก็ค่อยๆแก็เงิออก เสร็จแล้วเขาก็หนีไปพระราชาก็ได้ขา่ารู้ว่าบุตคนนี้หนีไปแล้วก็เลยไปหามือสังหารมาห้าคนเป็นฆ่าศัตรูกับคนนี้ด้วยบอกให้ไปล่าสังหารบุุษคนนี้ให้ไดทั้งห้าคนก็ไป กอดสู่กินไปตามหาห้าคนนี้กอดตามหาก็มีผู้หวังดีบอกว่าท่านระวังให้ดีนะตอนนี้เนี่ยมีมืมอสังหารมาหาคนล้วนเป็นศัตรูของท่านทั้งหมดเลยจ้งจะฆ่าท่านโดยสถานเดียว เพราะนั้นท่านต้องลบหนีไปนะหลคนนั้นพอรู้แล้วก็ไม่หลบกปคนคนื้มือของนักฆ่าทั้งห้าคนนั้นนะพระราชาก็เลยใช้หามมือสังหารเป็นนักที่ ก็รู้จักบุรุษคนนี้เป็นอย่างดีเลยเคยสนิทสนมคุ้นเคยอย่างดีรู้จักเป็นอย่างดีเลยและคนเนี้ยก็เป็นนักศึกมีการไปการมาลึก ห, หลักซับซ้อนมากเพราะเขาเป็นนักศึกเดี๋ยววระวังตัวยาก ไอ้คนนี้คอจะเจ้าหาโ อ, อกาสเงื่อดาจะฟันบุษุษคนนั้นาาหาจังหวะหาโอกาสเป็นนักสืบเป็นมือสังหารแล้วก็รู้จักบุษุษคนนั้นเป็นอย่างดีเงื่อดารอจังหวะดีได้จังหวะเมื่อไหร่ก็จะตัดคอเอาให้ตาย ก็มีผู้หวังดีมากทีอีกบอกว่าโอตอนนี้พระราชาท่งมือทหารมาแล้วเป็นคนที่สนิทกับท่านมากรู้จักท่านเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าการไปกันมาอของเขาลึกแลัวมาเพราะเขาเป็นนักศึท่านก็ทําในสิ่งที่ท่านควรทําเช่เดียคนนี้รู้แล้วกระตือรือร หนีไปไปพบบ้านล้างหกลัก็เข้าไปหาหนี้หาหนี่จะเอามาหาน้ำจะดึ่หาอาหาก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยก็จะนั่งพักบ้างก็มีผู้หวังดีอย่าบอกว่าท่านเดี่ยงนี้มีโจรตั้งหกคน ่ามาค่า่ามาปล้นในมู่บ้านเนี้ยมีบ้านหลงหลังเนี้ยถ้าอยู่เนี้ยถูกโจรฆ่าตายแนย่ๆเลยท่านก็ต้องรู้จักว่าควรทำอะไรบุรุษนี่ก็เลยมนีไปไปถึงริมแม่น้ำมองไปสั่งอโนเนี้ย รู้สึกว่าปลอดภัยถ้าข้ามไปได้นี่ปลอดภัยแต่ว่ามองมาข้างหลังของตัวเองสามเนี้ยมีแต่อันตรายไหนจะมูพิตสี่ตัวไหนจะนักล่าทหารที่เป็นศัตรูห้าคนแล้วก็มือทหารที่เป็นสายลับอีกหนึ่งคนเป็นคนที่หั แล้วก็ยังมีโจรอีกหกคนที่จะคอยปนอีจะคายทีนี้ก็อยากจะข้ามไปอยากข้ามมนน้ำไปฝั่งนูง้นแต่เรือไม่มีเลยทีบุรุษคนนี้ก็ตัดสินใจชักช้าไม่ได้อยู่ฝั่งนี้มีแต่พายมีแต่อันตราย ชักช้าอยู่นีนะ่ต้องข้ามไปนะก็เลยหาใบไม้ิ่ิไม้เอามามัดรวมกันเท่ามัดรวมกันเท่าทำเป็นแพแล้วก็อาสัยมือกับเท้าตัวเอง S 1> <S 1> ถึงฝั่งน้นเขาก็รู้สึกปลอดภัยพ้นจากอันตรายทีนี้จะถามปัญหนานี้อะไรคือพระราชาพระราชาที่จกบุรุษผู้กระทําความผิดนั้นอะไรคือมูพิษสี่ตัวที่มีเบ็ดก็มีพิไว้แรงมาก และอะไรคือบุรุษมือร่าศาสนาทั้งห้าคนอะไรคือนักศึกที่ทำล่าศาสนานในการที่เป็นสายลับนี้และอะไรคือบ้านหลางทั้งหกหลังอะไรคือโจรทั้งหกที่จะมาพ่นบ้านหกหลังแล้วก็จะขาดจ้าของบสา อะไรคือแพ่ข้ามน้ำและฝั่งแม่น้ำนั้นคืออะไรมีแต่ปิศนาทั้งนั้นเลยนะแลน้รพระพุทธเจ้าก็เสียเลียมให้ฟังว่าพระราชาที่จับบุษคล น, นั้นก็คือกรรม ทุกคนเนี่ยจะมีกรรมไปมีเสมือนหนึ่งพระราชาคอยควบคุมนักโทษจับคนขังคุกคุกในที่นี้คือวะตะัตากุสามให้อยู่ในคุกในตารางนี่แหละไม่ให้เป็นอิสระพระราชาคือกรรมทุกคนจะมีกรรม คอยควบคมุมขังเราเอาไว้ในคุกแห่งวัฏฏะสงสารงูพิษทั้งสี่นั้นเปรียบเหมือนกับมหาภูตะลุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟซึ่งเราเนี่ยจะต้อง อามันนอนเป็นเวลาหลันอนเป็นเวลารับประทานเป็นเวลาอาบน้ำอาบถาดูแลกันอยู่ตลอดแต่มันมีทิศอยู่ในตัวของมันวันดีคืนดีถาาดิ้นมันไม่สมดุล ม, มันก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้ เขาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนมีปากไม้ถ้าโดนกัดแล้วมันจะแข็งแข็งขึ้นปอกถ้าน้ำเขาเปรียบเหมือนมีมีปากเน่าเป็นบาดเป็นแผลเป็นเน่าเป๊ะมีแต่น้ำเลือด น, น้ำหนองอไหลเยอะ งูปากไม้งูปากเนางูปากไฟถ้าโดนกัดแล้วกรอบเหมือนไฟไหมแล้วก็งูปากมีดถ้าดลงเป็นงูปากมีดมันจะเป็นชอ่องเป็นรู เวลาลงมันเปลนแปลบุรุษที่ทำความผิดนั้นก็คือไม่รู้ธรรมะไม่รู้อริยสัจสิไม่รู้จักปล่อยวางความหลงผิดก็คือไม่เห็นอริยสัจสินันหละไม่เห็นว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่เป็นโทษมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะไปพะนาะพนอเอาอกเอาใจมันอยู่มันไม่ได้คือโทษที่ไม่รู้อริยสัจสีเนี่ยมันก็เลยถูกพระราชา คือกับจับขังเอาไว้ในคุกแห่งวัฏฏุสาังา์ไม่สามารถเป็นอิสระได้ไม่สามารถพ้นไปจ า, ากคุกตระงาแห่งวัฏฏุกคนี้ได้ทีนี้ผู้หวังดีผู้หวังดีคือพระพุทธเจ้าบอกทางให้บอกเนี้ย ธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะอย่าไปหลงเอาเอาใจมันนะอย่าไปหลงพนอพนอมนนะมือเล่าสังหารทั้งห้าคนนะั้นท่านเปรียนเป็นอุปทานในขันธ์ห้า อุปทานขันห้าเนี่ยไปเหมือนมือล่าสานามเลยถ้าว่าเราหลงยินดีเข้าไปหลงว่ามันเป็นพวกเราเป็นของเราเสร็จมันนเนี่ยโดนมันฆ่าตายในเนี่ย คือทำให้เราเนี่ยตายอยู่ในวัฏฏะทุกข์ไม่สามารถอดอยา ก, กได้แล้วสายลับนั่นหละมือล่าสั้งหามที่เป็นสายลับนะั่นคืออะไรเพราะเป็นคนที่รู้จักบุญคนนั้นอย่างดีเลยนะรู้จักดีเลยสนิสนมคุ้นเคย อเคอยเนื้อดาบจะพันคออยู่ตลอดเลยมือล่สายลักคนนี้ยคืออะไรมันมีอะไรที่มันคุ้นเคยอยู่ในจิในใจของเราไหมละ่ะแต่ว่ามันเป็นสายลักสายรักยังไปไหนมาไหนเนี่างมันไม่เห็นตัวมันไม่รู้ ร, รู้ตัวแต่มือดาบ อย่ฟันคออยู่ตลอดเวลาเป็นมือล่าทหารคนที่หกแตกต่างจย่ามือล่าทหารห้าคนนะเป็นศนะันตรูแต่อันนี้โอ้โหคุ้นเคยอย่างดีเลยสายรับนัืนคือนาง่เราค่ะหมายถึงความดีในเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราไปยินดีอะไรตัวนั้นละ่ะ <c oughs> มันทําให้เราเนี่ยถูกฝานฝานจากการรู้ธรรมะทําให้เราหลงไปไม่สามารถรู้ธรรมะไดะ้ไม่สามารถรู้แจ้งในอวียปสีได้ไม่สามารถจับปัญญาดะเราลองไปยินดีกับอะไรเข้าสป ติดอยู่ในใจติดอกติดใจเิ้มเน่นถูกมือล่าชงนางที่เป็นสายรับเมื่อดาบเจ็พันคอยอยู่นะไม่รู้ตัวหนีไปไปเห็นบ้านร้านหกหลังเทียบด้กับอะไบ้านร้านหกหลัง ตานนี้จะมูกลิ้นกายใจมีอายตนะอังหกภายในที่ยังมีของว่างอแต่มันจะมีโจรโจรอีกหกคนที่อยู่ข้างนอกมันจะมาปลุกก็คือลูกรดกิ่นเสียงสมผักนี่นก็ทำมาโดนเป็นเหมือนโจร อะไรที่ห่วงน้ำเราจะข้ามม่วงน้ำนั้นไปได้ยังไงก็ต้องมีแพแพก็ต้องทำเองแล้วเราใช้มือใช้เท้าสเกียดสกายไปเองแล้วก็จะข้ามฝั่งไปได้โข ค, คือน้ำ ก็คือกิเลสในใจเรานั่นแหละความรุ่งหลงภายในจิตใจเรานั่นแหละถึงแล้วอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นเพราะจิตของเรานั่นแหละไปรุ่งหลงจิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสมีสนามมีปทานเราไม่สามารถข้ามพ้นตรงนี้ได้มันจึงต้องจมอยู่ในวัฏสงค์ อะไรเป็นแพรแพรครืออเยมักเมืองเนี่ยเราต้องอาศัยแพรสมาธิความเห็นชอบสมาสังกโปความคิดชอบคิดถูกต้องสัมาวาจาสัมากามมโนสมาิีว สมมาวยมมายามุสมาสติสมาสมาธิเนี่ยคือแพรต้องอาศรความเพียนใช้มือใช้เท้าแหวกว่าพยน้ำพยุงตัวให้มันข้ามไปให้ได้ก็คือสร้างสติขึ้นมาสร้างสัมมาสมาธิขึ้นมาให้ติตของเรามีกำลัง ให้มันรู้ความดีไม่ใมันหลงผิดไปยึดว่าท่าทั้งสี่ดินน้ำลมไปเป็นเราเป็นของเรารู้เวทนาสัญญาสังขารมีญาณเป็นเราเป็นของเราหรือมันพอใจมันยินดีมันติดมันคล้องอะไรให้รู้จักละรู้จักคลายมันก็จะหายหลง เวลาจะข้ามจรงิงๆต้องข้ามน้ําคื อ, อกิเลสของตัวเองคือความหลงผิดของตัวเองคือมานะทิฏฐิภายในจิตใจของตัวเองมานะถือตัวถืตอตนอติมานะดูหมิ่นเหยียดหยามกันพอมีตัวมีตนเนี่ยตัวตนมันใหญ่ขึ้นมันก็ไปคมคนอื่น ก็ไปไม่ได้ีกติตันหัความยาอยาอยู่ในใจเราอยากได้มานะก็อยากใหญ่คิดทีก็ใจแคบยึดแต่ความเห็นของตัวเองเชื่ออยู่กับความเห็นของตัวเองใครไม่เห็นเห็นไม่ตรงกับเรา ก็เป็นคนรับฟังกับเราเงินจะไม่ใจแคบไม่วจกว้างเราเปิดใจกว้างรับฟังอันไหนดีเอามาได้ประโยชน์เลยนะความเห็นของเราทามันผิดแก้ไขทันทีใจเราจะกว้างขึ้นเราจะเป็นคนอิสระ มีความรอบรู้กว้างขวางมีสติมีปัญญาแต่ใ จ, ใจแคบับแคบมากไม่อฟังความเห็นของใครเลยบางทีงความเห็นของตัวเองผิดก็มีเพราะว่าสติปัญญาเราย่างน้อยความรู้เร า, าน้อยเมันก็มีความเห็นทที่ผิด ถ้าเราเปิดใจ ก, กว้างๆอันไหนเป็นธรรมอันไหนถูกต้องเอาทนดีเใครก็ตามเป็นความคิดของใครก็ตาความเห็นของใครก็ตาใครจะทําก่อนแล้วก็จำลองว่ามันถูกต้องทําตามได้กันดีมีรตว่าใจกว้างข้ามโอนห่วงน้ําคือโอ้ค่ะ โกคัตคือกามบวกตัญหาแล้วความหลงอาวิชชาข้ามห่วงน้ำได้แล้วคือละทิ้งภายในใจเราได้แล้วก็ถึงฝักคือแดนแห่งพระนิธรรมผู้จะเจ้าทางก่อนถ้ารู้อัธยาศัย องสาโงบบางทีก็ใช้อุ ป, ปมาอุปไมยเป ร, รยเียบเทียบบคนเข้าใจได้ดีแต่บางคนนี้อุ ป, ปมาอุปไมยยิ่งงงงงใหญ่เลยนะที่ทําไมต้องกินเป็นเวลาลทําไมต้องนอนเป็นเวลาลทําไมต้องอาบน้ําเป็นเวลาลย้ยทําไมต้องเข้านอนเป็นงงไปใหญ่เลย ท่านก็มาเปรียบเทียบเฉยๆคือเหมือนตัวมันนี้แหละมันก็คือร่างกายของเราเปธาตุทั้งสเป็นเหมือนนูนเป็นเหมือน อ, อัศพิษแล้วั้งกบมันมีเด็ ก, กลดิมันนี่รุนแรงด้วยทำให้เราเนี่ยตายได้องมันเก่วยขึ้นมาดูสิ ินมันมีนกลไกการขึ้นมาเนี่ยเราก็ตายได้ถ้าน้ํามันมีนกลนิการขึ้นมาเราก็ตายได้ถ้าลมถ้าไฟทําให้เราตายได้แต่ถ้าหนุนปรมาอุปม า, ปมาว่าถ้าเราไปหลงมัน่ะเราตายจากธรรมะ ตายจากการรู้อริ ย, ยสัจสิตายจากความเป็นอริยาจาเจ้าไปหลงเอาเอาใจปน้อมนออย่างนี้ได้ต้องฟังเชื่อฟังผู้หวังดีคือพระพุทธตเจ้าว่ามันเป็นพิเป็นภัย ลุ่มหลงกันแลยมันเป็นที่เป็นไายทำให้เราไม่สามารถรู้ความจริงได้ขันห้างก็เป็นที่สร้างเหอุปทานที่เราไปไม่ได้ต่อเพราะว่ามีปทานในขันห้า ดูเราคิตอะไรอยู่เต็จอะไรอยู่ในขันดะง่าใจเราอยากปล่อยอยากวางขนาดไหนแต่ถ้าเราสั้างเหตุมันไม่ถึงมันก็ปล่อยวางไม่ได้มันต้องมาเจริญสติลงทางจิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิที่ได้กับสมาธิธรรมดาก่อ สมาธิธรรมดาคือสมาธิทั่วไปใจสงบลงไปใจอิ่มเอิกขึ้นมาใจสงบขึ้นมามีความสุขขึ้นมาใจเป็นหนึ่งขึ้นมาแต่มันยังไม่ตั้งมัน่นยังไม่รู้อะไรยังไม่เห็นอะไรเพราะมันเป็นสมาธิดด มันยังไม่รู้กว้างขวางเหมือ้แคบแคบรู้จุดเดียวเป็นเอกับตารมเป็นหนึ่งมันไม่เหมือนสัมมาสมาธิที่มันรู้ทั่วใจตั้งมั่นรู้หลอกอะไรก็คือรู้รู้และจิต ก, ก็ยังตั้งมั่นอยู่ตัวรู้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละ ดูเห็นแล้วก็เกิดความรู้ด้วยว่าโอ้มันเกิดแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจนกําลังมันเต็มที่มันประหานกิเลสได้ไดอริมักมีแบบสมบูรณ์มันต้องมีฌานด้วยต้องมีฌานใดฌานหนึ่งเกิดขึ้นด้วยในขณะที่ประหารกิเลส อันนี้ก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านอุปมาม่ามีพิษมีบุรดุษทาความผิดร้ายแรงทำความผิดสมควรตายก็คือว่าใครก็ตามที่ไม่รู้อริยสัจสีนั่นน่ะคือความผิดพอเกิดมาแล้ว ไม่สามารถที่จะรู้อายสตีได้ต้องถูกพระราชจาักรก็คือกรรมมันขังคุกเอาไว้ในวัฏสงสารจองจำเอาไว้ไม่สามารถหลุดพ้นไปได้เงนินก็คือมันหลงยึดติดอยู่กับลูกจึงเป็นมหาภูตารูปทั้งสี่ธาตุดินธาตุ น, าน้าธาตุลมธาตุไฟ เวันาสัญญาสงสารมญญารูปเวทนาสัญญาสงสารมญญาณก็คือขันธ์ทั้งห้าไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงหลงยิดว่าเป็นเราเป็นของเรามันมีความหลงคิดมีสัจยะทิจิมีความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราเป็นของเรากายกับใจเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็เลยไปไหนไม่ได้ ก็มีสันธาราคะนั้นที่ราคะเพินยินดีละค่านชอบใจอย่างนั้นอันนี้ติดขอ้องอยู่เรื่อหลงไหลเพลินอยู่อารมณ์ต่างต่างย่นั้นที่ราค์ละความเพินอัน น, น, น, นี้ไม่ได้ ดูดีบางคนเนี่ยอยากได้อะไรขึ้นมาโอ้โหนอนแทบไม่หลับหัวใจกระห่าความมุนแรงของมันดูเีน่ารำพึงถูกขั ง, งคุกเอาไว้ในวัตสัทุกสารไปไหนไม่ได้ ทางมาของมันทางน้นนจะมี่งทีกายใจถึนรูกรสกินเสียงสัมผัสทงมาลงเข้ามหาใจใจเราจะยืดติดข้องเกาะียวไม่สามารถค้นไปจากมันด้ก็ไม่สามารถข้ามโอ ข, ข้คือห้วงน้ำใหญ่นะไม่สามารถเคลื่อนคือพปินา อ้ำนกิลในใจเราแล้วนนแนะการมาสวะการมาโขคัว่ ว, วงน้ำคือกามภาวสวะห่วงน้ำคือความอยากคือพบต่างๆที่จิตเราสร้างขึ้นมาสิทาสวะสิทาโขคะ พ่วน้ำสูท่ทิชชีคือความเห็นของตัวเองสร้างความเห็นอะไรขึ้นมาคิดเห็นอะไรขึ้นมาไปยึดว่ามันดีมันถูกต้องอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะทําใจวางใจเอาไว้ว่าเออถ้ามนความเห็นขตัวเองถูกต้องก็จะทําถ้ามันไม่ถูกต้องก็จะทิ้งเนี่ยมันไม่สามารถวางใจ ให้เป็นกลางให้ถอยออกมาจากที่ทิ้งของรียนนะ่อวิชาโอคาอคาือวิชาหพวงน้ําคือความหลงความไม่รู้ความตินรู้ความตินไม่หมดตีนพวงน้ํอาอันขวางทางทำให้เราไม่สามารถ ใจเราที่มันมีความหลงที่เรศีส น, นามอยูอประทังน่ะก็มาใจเราที่มนมรู้ความจริงที่เราแก้ แ, แก้ทีจิตเรารู้ความจริงว่าใครวางอมั น, น, มนเป็นต้อมาใส่แพะรือแพะก็คือมักอะไรั่นเอง ที่เราปฏิบัตินี่แหละอันยนต์มิลล์แปนเหนี้มันเป็นผูกทางหรือเปล่าเป็นหรือเปล่ามันเป็นอันยนต์ ม, มิลล์แปนต้องเป็นสัมมาสัมพุทธสัมมาสติสติเจาต้องเห็นอยู่รู้อยู่มีนจะต้องอยู่กับปัจจุบันอ่าเรามไม่รู้ตัว มันก็ไม่ใช่สัมมาสมาธิมันไม่ใช่ยามาคุยงแปดมันสัมมาสมาธิสติชอบรู้รู้ตัวรู้ตัวมันเป็นอะไรก็ต้องรู้นี่ะไรวะสัมมาสมาิรู้แล้วควบคุมจิตเราให้อยู่ไปทําอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนี่จึงเป็นสัมมาสมาธิ ควบคุมจิตให้อยู่อยู่ก็อะไรก็ได้ที่เราต้องการอยากให้มันอยู่ถ้ามันดูอะไรมันก็ต้องดูอยู่ยนะเ น, นี่ยมสมาธิถ้าคุมมันไม่ได้ไม่ใช่มสมาธิถึงแจะนั่งสมาธิอยู่ก็ไม่เป็นสมาธิเพราะคุมไม่ได้ถ้าคุ ม, ม, ไ, มได้มันต้องอยู่ตามที่เราต้องการ มันดูอะไรไมันก็ต้องดูอย่ตรงนั้นเรามีธรรมมาวายะมะความเพียรชอบควกมเพียนที่จะให้สติเราคุมจิดไว้ให้อยู่ในอำนาจของเราแมันก็เป็นกสมาธิอีกในเรม่องหลอดไปหน่มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตามที่เราต้องการนั้นอำนาจของเราไมาเป็นอันดีย่างน้น สมาธิที่ความเห็นชอบก็เห็นไม่ีอะไรเกิดขึ้นอเนอนเนนอไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเปิดขึนตั้งอยู่จากไปเนี่ยเห็นแล้วก็รู้ด้วยโหานไม่ใช่เราขังเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมาสันตปโลความคิดชอบมันละออกหมดแหละการ ม, มาราาม้ะมก็ละได้าการบวชปยาบาลละหมด เราคิดเยีเยไม่มีเหือมีแต่คิดจะเป็นอิสระหรือคนไปทางอืนออ่นของเราไปต้องบูรณาการกับใดๆอีโซดาบาาานันเป็นทาคกเนี่ยนะครับเป็นันยังไรู้ว่าขันศึาเป็นตัวเราของเราอยู่ไม คลายออกบ้างหรือยังเนี่ยโดยเฉะอย่างน่าฮะเป็นยงนี้เพราะในเรื่อนันนี่มีระบกิาัการะ การิดะทำของเรากระทำในข้อเรื่องนั้นเรื่องนี้นนนมีความสมคัญส่วนใหญ่ โ, ย, ย, โยนความผิดให้ข้างนอกมันไม่เข้ามาหาิตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นนย็ยโยนให้คนอื่นโยนไปใช่ข้างนอก มันยอเข้ามาหาจิตเราเอออย่างนั้นหะใได้ตามดูจิตของตัวเองอยู่เื่อนไหวดัจิตของเราเป็นยังไงเนี่ยอย่างตัวลุงยึดกายยึดใจเราตัวลิงยดกายยึดจิตเราแต่ยัที่ลดายยึดจิตของเราเห็นิ ความรู a ที่จะเขาใจก็คือการเจอยู่ป็นของเราอย่าได้รัารได้เป็นประสรคนะไัยูได้ซ้ำนเก่าเข้าใ่งที่เวไติดได้สามอย่างน้ก็ สิเรบวางรูปไปเป็นทัศนกธิท่าขามีผู้เกินชาติเดียวปฏิมาตีทสังโยชน์เบื่องจำได้อีกสองตามเวลาพักปฏิฆะเป็นพานาครมีเอไปจะละรูปละคาลูปละคาอมานะอุทัจากแล้วก็เอาวิชาดับ เป็นพ่อลหลานที่นาชาติชาติสิ้นแล้วนะมันยยีอะไรตกแต่งอยู่ในจิตหรือเรื่องนั้นการดูในจิตหอเรื่องมันชาที่นาชาตินะตังกรัีย์อย่าดูควรทำในทแล้วนะผู้ศรัทาเมื่อจิยั่งพอเมื่อจแล้ว ที่ควรทำได้ทําแล้วที่ต้องทําอย่างนี้อีกไม่มีไม่ไมีทต้องทําแล้หมดไปแล้วจบไปแล้วเป็นฝรั่งนไม่มีทิดหมด นามัสสะพระคุโอะโตขอโน้มแบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะราโตซึ่งเป็นผู้ใกล้จากกิเลสสัมาสัมพุทธัสสะ รสรูโชคไดโดยพระองเอ